เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วมองไปเหมือนก็นจะรู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วธรรมะเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะสมัยพระพุทธเจ้าฟังฟังธรรมะกันเดียวสพสูตรเดียวแล้วไปปฏิบัติก็พ้นทุกแล้วไปหาพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ประทานมโลกาสทรงแสดงธรรมย่อๆแข่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดข้าพุทธเจ้าจะปลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวแล้วจะประลดความเพียรด้วยใจเด็ดเดี่ยวเนี่ยผู้เจ้าก็บอกเอาเธอจงมีศีล ศีลว่าศีลไมายถึงว่าสำรวมในพระปาติโมกข์ของพระกว่าสองร้อยยี่สิเจ็ดของโยมก็ศีลห้าศีลแปดของสามเนียก็ศีลสิบสิขาบทเ ด, เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นศีลไปแล้วก็ให้มีความประพฤติถูกต้องเกี่ยวข้องทางกายทางจิต ให้เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของตัวเองเอนะี่ย่อๆนะพิญากายในกายเนืองๆพิญาเวทนาในเวทนาเนืองๆพิญาจิตในจิตเนืองๆพิจารณาธ ร, รรมในธรรมหนึ่งๆมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินายในโลกนี้เสียได้ไปแล้วที่นี่ปฏิบัต บรรู้เป็นพอราหารันของเรานะี่ไม่รู้กี่สูตรแล้วนั่นเนี่ยจนไม่รู้จะเทศอะไรนุนละก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่พูดเน้นคนละอย่างบางองค์ก็เน้นสติปัฏฐานสี่บางองค์ก็เน้นอินทรีสังวรให้ระวัง เราระวังอารมณ์ที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่มันมีอิทธิพลต่อใจมันมีผลต่อจิตใจเราอย่างท่านก็ยกตัวอย่างทางตารูปรูปก็ไม่ว่าคนว่าสัตว์สิ่งของข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยเป็นรูปหมด เงินทองมันมีผลไหมเนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตจิตเราสิท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อใจเราโดยธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่น่า ย, ยินดีทำให้เราเนี่ยติดใจพอใจหลงไหลเพิดเพลินยินดีไปกับมัน ทำไม่ถูกใจมันก็ยินร้ายมีความยินดียินร้ายอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าในสํารวมไม่คุณคิดถึงมันไม่พูดถึงมันไม่บ่นถึงมันไม่ไหลไปกับมันไม่เพลินไปกับมันทำไมงั้นแล้วมันจะเข้ามาดำลงอยู่ในจิตเมื่อดำลงอยู่ในจิตจิตเราเนี่ยก็จะมีความเพลิน มันเพลินไปในเรื่องไหนเรื่องอะไรนะั่นแหละมันหลงยึดมันถือมั่นแล้วพระท่านก็ฟังแล้วเข้าใจสอนแค่นี้ก็เข้าใจนะหลีกออกไปแล้วปฏิบัติมารู้เป็นพูหลานสำรวมนี้ยกตัวอย่างตาใจใจหูมันก็เข้ามาทางหูมันก็มีผลต่อจิตใจก่นเรามระวังตอนนี้มันมากระทบนี่แหละ ในชีวิตประจำวันเรานี่อย่างซัวเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาอาสูัวเอาวันเนี้ยวันนี้ถ้าเราจะสํารวจดูนะว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้เกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับอะไรจิตของเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องมาดูกันแต่ละคนก็จะเห็นจิตของตัวเองอะว่ามันเป็นยังไง มันเผลอเพลินไปมากน้อยแค่ไหนมันมียินดียินร้ายเกิดขึ้นไหมมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยถ้าว่าใครตามดูจิตรู้จิตของตัวเองเนี่ยนี่แหละถือว่าเราเนี่ยสำรวมถือห้ามมันไม่ได้แต่ได้เห็นหน้าเห็นตามันรู้ทันมันถ้าว่าเราเนี่ยเห็นมัน จิตของเราไม่ไหลไปไม่เพลินไปกับมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันดับที่หนึ่งเลยก็คือมีศีลเลยจิตไม่หลงไปกับอารมณ์มันเป็นกลางเลยทำเป็นกลางๆมันนิ่งมันเฉยเนี่ยนานขึ้นนานขึ้น น, น, น, นี่เป็นสมาธิถ้ามันเห็นว่าพวกนี้มันแค่เกิดดับเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าเห็นอะไรก็ตาม เห็นอารมณ์มันเกิดดับเห็นเกิดดับเร็วเท่าไหร่ก็ถือว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยมันแก่กล้าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็คือเห็นอารมณ์มันเกิดดับรวดเร็วเลาวกับกระพริบตาบุรุษแข็งแรงตาหลับอยู่ลืมขึ้นทับเดียวหรือ ตาลืมอยู่ระพับลงไปอารมณ์ดับเลยไม่ค้างคาอยู่ในจิตใจถ้าอย่างงี้ท่านเรียกว่าอินซีภาวนาชันเลิศในธรรมวินัยในอริยธรรมในอริยวินัยของเรามันกระทบแล้วมันมันดับช้าหรือดับเร็วหรือว่าบางเรื่องมันดับช้าบางเรื่องมันดับเร็วก็ต้องรู้จัก เห็นอารมณ์มันเกิดดับเร็วอย่างนี้ก็คือมีสติสัมปชัญญะมันเกี่ยวข้องกันนะเลื่ององความตั้งใจที่จะซ้ำรวมระวังความไม่ประมาทก็คือมันหนุนกันน่ะถ้าว่าเราเนี่ยจเจริญสติสัมปชัญญะแต่ว่าขาดความสํารวมระวังกำลังมันก็ลดหย่อนลงไปแต่ถ้าว่าเราตั้งใจ สำรวมระวังละมัดระวังจิตก็ยิ่งมีกำลังเพิ่มขึ้นความเกิดดับของอารมณ์มันก็ดับเร็วไม่มีอิทธิพลต่อใจเราบางทีท่านก็สอนในการที่มีชีวิตอยู่ประจำวันนี้แหละให้มีหลักที่ถูกต้องเหมือนสอนนางมหาประชาบดีโคตทมีหลักตัดสินธรรมวินัย ว่าอันไหนเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความกำหนัดทำเรานั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเนี่ยทำเราใดไม่เป็นไปเพื่อประกอบทุกข์คือไม่เป็นไปเพื่อให้สัตว์เนี่ย มันเวียนว่ายตายเกิดอ่ะเป็นไปเพื่อเป็นทุกข์อ่ะคือมีทุกข์ประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์ในความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยจะทำวินัยของพระพุทธเจ้าต้องเป็นไปเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ประกอบสัตว์ไว้ในกองทุกข์ทำเราได้เป็นไปเพื่อการสะสมกิเลส เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นทําเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเนะี่ยทาเราได้เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเกียดคร้านในนี้เกียดขร้านการประรบความเพียนไม่อยากทาความเพียนทําวินัยของผู้เจ้านี่ต้องสอนให้มีความเพียน คำมักคำเมนในการปลดลบความเพียรทาเราได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบทาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยทำเราได้ไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความมากมากไไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยทำเราได้ไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ คำา่ามากน้อยในที่นี้ก็คือว่าไม่เกินความจำเป็นคือให้มันมีนมพอดีพอใช้พอสอยไม่ใช่ว่าต้องเอาน้อยน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือให้มันมีความพอดีทำเราใดไม่เป็่มไปเพื่อความสันโดษทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทําไม่ใช่วินยัยสันโดษนี้ไหมว่าพอใจ ในขณะนี้ยอย่าส่า้ว่าขณะนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงเราก็พอใจแต่ถ้าต่อไปความเป็นอยู่ของเรามันดีขึ้นมาเครื่องใช้ไม้สอยมันมีมากขึ้นเราได้มามันก็ไม่เป็นไรเนี่ยคือใจเราไม่ดิ้นหล่นอ่ะเพราว่าเรามีแค่เนี้ยถ้าใจมันอยากมันดิ้นหลนอย่างนี้มันไม่สันโดษแต่ถ้าสันโดษนี่มันว่าเออเราอยู่ฐานะนี้ขนาดนี้อยู่ได้แล้ว ถ้าอย่างนี้เราว่ามีความสะนโดษทาเราได้เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากทําเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยทําเราได้เป็นไปเพื่อความคุกคลีนี่คุกจีหนี่ก็คือไม่เป็นไปเพื่อความสงบนั่นแหละนั่นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเนี่ยเนี่ยบางทีท่านก็สอนแค่เนี้ยเอาไปปฏิบัติก็คือระมัดระวังตัวเองอ่ะสํารวมระวัง มันก็มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาสติสัมปชัญญะมันก็ไปควบคุมจิตมันก็รู้เท่าทาันจิตของตัวเองจิตก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเตือนยุบกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนอย่างอื่นไม่เอามาประกอบไม่ได้ต้องเอามาประกอบกันเสริมกันเข้าไปชานุบาลี ก็ไปหาพราะผู้เจ้าเหมือนกันคือไปเวลาไปก็คล้ายๆกันอะ่ะสำนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวโรกาลขอพระองค์ทรงประทานโอวาทเ่ข้าพระองค์ย่อยๆโดยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวตามลําพังปลดลบความเพียรไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยว เนี่ยคล้ายๆกันมันจะลงท้ายแบบนี้คือจิตใจของแต่ละคนที่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่ามีใจมุงมันจะพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวเลยมันไม่ได้หวังอย่างอื่นเดี๋ยวนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ดัดแปลงไปเป็นเรื่องบุญเรื่องศีลเป็นข้อๆไปบุญก็เป็นเหมือนกับอะไรสิ่งลี้ลับ บางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองอะได้มาเป็นเหมือนวัตถุสิ่งตอบแทนเป็นข้าวเป็นของเป็นเงินเป็นทองค้าขายล่ารวยไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยหรือให้เป็นคนดีไปอย่างนั้นมันก็ยังไม่ตรงนะถึงจะให้เป็นคนดีมันก็ยังไม่ตรงนะเพราะว่า ทางของมูธเจ้าเนี่ยมันเพื่อชำระจิตนู้นเพื่อให้จิตเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ท่านสอนพระ อ, อุบาลีท่านกว่าวทำเราใดเป็นไปเพื่อนิพพิธานิพพิทาเนี่ยหมายว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปปฏิบัติแล้วก็เบื่อเบื่ออันนั้นเบื่ อ, อนี้เบื่อบ้านเบื่อการปฏิบัติ อยากกลับบ้านเนี่ยบางคนวันนี้นิพิทามันไม่ใช่ไออ น, นั้นอารมณเบื่ออย่างนั้นต้องไปเห็นมันรู้ว่ามันเกิดดับแต่นิพิธาในที่นี้หมายว่ามันเห็นความเกิดดับเจอทั้งจิตมันเบื่อหน่ายมืนไม่อยากยึดมันถือมันอะไรเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็คลายวางนิพิธาแล้วก็เป็นวิลาคะทําเราได้เป็นไปเพื่อวิลาคะคือเพื่อความคลายกําหนัด นิพทาวิลาคะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยธรรมเราได้เป็นไปเพื่อนิโรธะเพื่อความดับไม่มีอะไรข้างคาอยู่ในใจอะนิโรธะก็คือดับทุกดับทุกก็คือดับอารมณ์ทั้งหลายที่มันจะเข้ามาปรุงแต่งจิตเข้ามาลบกวนจิตธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย ก็คือให้เห็นมันละ่ะแล้วมันจะดับไปเกิดดับไปอะไรเกิดมาอยู่ในจิตเรามาเพื่อให้เราได้เห็นมันเห็นมันดับไปมันก็นิโรธาทำเราใดเป็นไปเพื่ออุสมะคือความสงบอุปสมายะธรรมเหล่านั้นก็เป็นธรรมเป็นวินยัยทำเราใดเป็นไปเพื่ออภิญญายะคือความรู้ยิง่ง รู้ยิ่งในหมายว่าจิตมันเข้าไปเห็นเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นด้วยจิตนี่ละเดียวปัญญาญาณเห็นด้วยปัญญาจักขุถ้าใครเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยฟังปั๊บเข้าใจดันทีเลยอะมันเห็นข้างในลึกๆอะมันเห็นด้วยจิตจริงๆเลยอะไม่สงสัยแต่ใครยังไม่เห็นเนี่ ไม่เข้าใจก็ต้องปฏิบัติไปซะก่อนถ้าเห็นต้นๆก็คือเห็นเนี่ยเอออารมณ์เกิดขึ้นดับไปเห็นแบบเห็นความคิดเกิดดับถ้าเห็นด้วยอภิญญายะนี่มันเห็นแบบจิตตั้งมั่นมันก็จิตอยู่ข้างในนู้นเห็นด้วยตาปัญญาเขาเรียกว่า รู้จริงเห็นจริงสัมโพธายะเป็นไปเพื่อการตัดสรุปเนี่ยที่เป็นธรรมเป็นวิ น, นัยคือรู้อริยสัจสี่นั่นแหละอภิญญายะก็คล้ายๆมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันแยกพูดออกมาเพื่อให้มันละเอียดเข้าไปการตัดสรุก็ต้องรู้อริยสัจสี่ รู้ยิ่งก็รู้อเิสสัตสีนั่นแหละแต่ว่าพูดให้มันให้มันละเอียดเข้าไปว่ารู้ด้วยปัญญาปัญญายานเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัมโพธายะเพื่อตัดสรู้เพื่อรู้อเิสสัตสีนิพพานายะ เพื่อการบรรลุพระนิพพานเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเป็นวินัยนีท่านฟังแล้วก็เข้าใจเลยนะพระอุบาลีก็ไปปฏิบัติอย่างอื่นไม่เอาก็ต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายมายึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกําหนัดความยินดีเป็นไปเพื่อความดับมันมาก็ให้มันดับไป ไม่เอาเข้ามาให้มันลุงลังอยู่ในจิตให้จิตมันได้เห็นความเกิดดับไปก่อนให้มันดับไปจากจิตซะก่อนถ้ามันมันมีเหตุผลอะไรค่อยออกมาแล้วค่อยว่ากัน่าถ้ามันมีเหตุผลบางเรื่องบางราวมันก็เกิดขึ้นได้ค่อยเอามาพิจารณาดูว่าเออควรทายังไงกับมันเวลาเรามามีชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ยเราค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะงไม่ใช่ไปเชื่อข้างในหมดเลยนะ ไอ้ข้างในเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะบางเรื่องบางเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องได้เอามาพิจารณาก่อนอย่างบางความคิดบางอย่างเราพิจารณาในสมาธินี่โอ้โหมันแตกหลับเป็นรายละเอียดออกไปแต่พอมามาม า, มาพิจารณาในในในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้อันหนึ่งมันเป็นธรรมะ มันเป็นปัญญายาณที่ลึกซึ้งเป็นไปเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้ความจริงสูงสุดเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยไปลงยึดมั่นถือมั่นแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยมันต้องมาอยู่กับโลกสมมุติมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มันก็ต้องมาดูความเหมาะสมความลงตัวด้วยไปเชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าอาการที่ปัญญาาณมันเข้าไปเห็นเนี่ยมันเพื่อ ความคลายวางเพื่อความไม่หลงยึดมั่นถือมัน่นละอุปาทานเนี่ยมันเป็นความจริงสูงสุดอะเพื่อมาให้มีตัวเราไม่มีของเราแต่ออกมาแล้วมันก็ยังมีเราอยู่ก็เราชั่วคราวเราก็เกี่ยวข้องให้มันถูกต้องตามสภาพที่เราอยู่กันแต่การที่มันเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันมันคลายวางได้เนี่ย มันทำให้ใจเราเนี่ยมันมันมันสบายมันว่างมันไม่ทุกออกมาแล้วมันก็ไอการที่จิตมันมันมันรู้ความจริงเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันก็สบายมาเกี่ยวข้องก็ไม่มีปัญหาพอมันเห็นความจริงแล้วว่าอ๋อมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปสมควรทำไงก็ทำเนี่ยมันก็ยังมีการเกี่ยวข้องอยู่ ถ้าหลักทั่วไปก็คือว่าให้ทุกมันน้อยลงไปทุกน้อยลงไปจนไม่มีทุกนี่แหละนี่มันก็ถูกต้องนี่พระอุบลีฟังแค่นี้ไปปฏิบัติก็พ้นทุกได้คือธรร ม, มะมันเข้าไปในจิตแล้วก็รักษาจิตให้มันไปในแนวนี้ถ้าว่าจิตมันผิดไปจากนี้ไม่เอา สวแล้วหลักสําคัญก็คือเนี่ยองค์ประกอบองค์ที่เป็นเป็นหลักการสําคัญคือความมีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จะทําให้จิตมีกําลังบางทีทานก็สอนไปตามลําดับตามลําดับคือเต็มเต็มตามลําดับที่พระองค์สอนก็คือมีศีล แล้วก็มีอินทรีสังวรศีลก็ส้ำรวมในพระปาติโมกพระปาติโมกขมายว่าหลักพื้นฐานหลักเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นพระกับพระปาติโมกสำหรับโยงกับศีลห้าศีลแปดเนี้ยสมบูรณ์ด้วยความประพฤติด้วยโคจรละเห็นภัยในโทษ แม้เล็กน้อยทาแล้วมันไม่สบายใจมันทุกมันมีปัญหาเล็กๆนๆน้อยก็ตามไม่ทํามีขนาดนั้นนะผู้เจ้าละเอียดมากเลยนะแล้วก็ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่งั้นทำอะไรอยู่ก็ตามไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยสมควรทําทาเลยจะได้แก้ไขจิตของเราที่มันไม่อยากทา มันมีเหตุผลอะไรทําไมมันจึงไม่อยากทำถ้ามันสมควรทําต้องได้ทําเอาชนะใจเราด้วยไม่ต้องรอให้ใครไปบอก จ, จําชี้จำชายอันนี้มันเป็นการเอาชนะใจเราชนะอารมณ์ที่ม เ, เป็นค่าสืบต่อใจรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคใช้สอย โดยเฉพาะอาหารผู้เจ้าจะเน้นมากโภชนนมัตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไม่มีเวทนาใหม่ความอุดอัดความมึนเมาในอาหารระงับเวทนาเก่าคือความหิวไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเมามัน ประดับเพื่อตกแต่งต่างจากแถวโลกนะโอเดี๋ยวนี้โฆษณาเรื่องอาหารกันมากจริงนะมีการแข่งขันการปรุงแต่งอาหารโฆษณาโหต่างจากสมัยพระพุทธเจ้านะพระพเจ้านีเน้นให้มีชีวิตอยู่ มีความสุขความสบายแล้วก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้สะดวกเพื่อเอาพอมีชีวิตอยู่ได้ให้มันสามารถทํากิจการงานได้แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้ยินนี้บางทีแข่งขันกันอาหารอันไหนที่มันแปลกๆปรุงแต่งมากๆเอามาโฆษณานะ คนที่ไม่มีปัญญามันก็ไปหลงบางอย่างก็โฆษณามันกโกเก๋ใครเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าทึ่มมีเกียรตินี่มันส่งเสริมค่านิยมที่ผิดวิตเครื่องใช้ไม้สอยวนวันวังไปหมดอะคือไม่ให้มันเป็นค่าสึกต่อใจเราชาคียานุโยก ประกอบความเพียรเพื่อให้จิตตื่นเพียให้จิตตื่นนี่ก็คือว่าปลาบความเพียรอยู่ตลอดมีทั้งการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิเนี่ย น, นี้ท่านพูดไว้ในเรื่องชากริยานุโยคมีสติสัมปชัญญะทุกริยาบทเนี่ยแล้วก็ละนิวรณ์ให้ได้สําคัญนะนิวรณ์ทั้งห เอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราสู้กันพยายามให้สติเนี่ยมันมันมีกําลังอะ่ะเนี่ยมันต้องได้หาอุบายได้แก้ไขจิตตั้งมั่นรู้ความจริงเนี่ยรู้ความจริงแล้วจิตคลายวางบางทีพระเจ้าก็พูดลําดับมันมีหลายหลายสูตรอะ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละสูตรนี่ก็มีเป้าหมายเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละ ก็สอนไปตามอัธยาศัยอะบางทีท่านก็เริ่มโดยให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีฮิลิโอต ป, ปะเนี่ยมีสติสัมปชัญญะก็คือรู้กายรู้ใจเรานี้และทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำทำอะไรอยู่ก็ตามฮิลิความละอายต่อบาปโอต ป, ปะความเกรงกลัวต่อบาป ก็คือละมันระวังแล้วก็มีอินทรีสังวรเนยเพิ่มอินทรีสังวรเข้ามาแล้วจากนั้นก็คล้ายๆกันจนจิตใจตั้งมั่นมีปัญญายาณเกิดขึ้นผหานกิเลสได้ถ้าพื้นฐานจริงๆท่านก็พูดถึงว่าธรรมะเบื้องต้น ที่จะเป็นฝ่ายทำให้อริีมักสมบูรณ์มีอยู่เจ็ดประการเราลองสำรวจดูก็ได้อันที่หนึ่งเดนมาต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตตาตามีกัลยาณมิตมร ม, มีสหายที่ดีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีที่แนะนำให้ เราประพฤติปฏิวัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในสมัยนูน้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเลยมีอยู่องค์เดียวเลยคําว่ากัลยาณมิตรในความหมายของพระพุทธเจา้าพวกเธอผู้มีเราเป็นกัลยาณมิตรท่านว่าเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นมาเบื้องต้นที่แสดงให้รู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้น ก็คือแสงเงินแสงทองชั้นใดถ้าแสงเงินแสงทองขึ้นแล้วก็ะหมายเขามาพาที่ต้องขึ้นแน่แน่คนที่หวังพ้นทุก์เนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรกรัลยาณมิตรตตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรแต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าหาใหม่แล้วก็ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมก็เลือกธรรมะที่มันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีคําสอนของพระองค์ในพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติรู้แจง้งเห็นจริงนํามาเผยแผ่ก็ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า อันที่สองศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมีศีลศีลเราก็พูดแล้วแต่ศีลในความหมายในที่นี้หมายว่าการที่จิตของเราเป็นปกติมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตให้เป็นปกติจิตไม่ไหลไปเพลินไปกับอารมณ์เป็นศีลที่มีอยู่ในจิตใจ คือมันแตกต่างจากความหมายในปัจจุบันพูดถึงสีเ น, นี่ยมั่อกี้สีเป็นข้อห้าข้อแปดข้อเมื่อก่อนก็งงแล้วมันไปเกี่ยวกับสมาธิได้ยังไงแต่ก็เคยปฏิบัติอ่ะก็คือเอาเอาสีห้าสีแปดมาปฏิบัติมาสํารวมระวังแล้วสติสัมปชัญญะมันก็มีกำลังขึ้นมา ใจก็เป็นใจที่สงบใจตัางมัน่นก็ได้เคยทำมาวันนั้นก็เข้าใจอ๋อศีลจริงๆหมายถึงมันศีลใจศีลเป็นบาทฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาทฐานของปัญญาแต่ก่อนก็เข้าใจแค่ว่าศีลเป็นข้อข้อแต่พอปฏิบัติแล้วมันก็มีผลต่อจิตใจ ถ้าหาว่าศีลสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าสติสัมปชัญญะมันรักษาจิตให้เป็นปกติได้ถ้าจิตไม่ยินดีไม่ร้ายนานขึ้นนานขึ้นก็เป็นสมาธิใจตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาญาณเกิดขึ้นอันที่สามชันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพอใจ ในการปฏิบัติต้องมีความพอใจพอใจในทีนี้พอใจสร้างเหตุไม่ให่พอใจตามความอยากอยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่มีนะเวลาปฏิบัตินี่ก็จะเล่งจะเอาแต่ผลนะที่จริงพระ เ, เจ้าสอนให้พอใจสร้างเหตุจเจริญสติพอใจปฏิบัติพอใจสำรวมระวัง ส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่พอใจตามความอยากถ้ามีฉันทะมันก็พอใจปฏิบัติพอมีความพอใจแล้วจิตมันก็ไม่อยากไปไหนอะขั้นที่สี่อัตตาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเแต่ละคนแต่ละคนที่มาปฏิบัติเนี่ย ต้องมีคุณสมบัติพอที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้จึงมาปฏิบัติเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นว่าเอกผูี่เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถปฏิบัติได้มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยสามารถปฏิบัติจงกระทั่งพ้นทุกข์ได้ หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถดับทุกข์ภายในจิตใจได้ถ้าเราเชื่อมัน่นอย่างนั้นเราก็มีความเพียรมีความตั้งใจพอใจปฏิบัติแต่ถ้ า, าว่าเราประมาทตัวเองตาหนิตัวเองกำลังใจที่ปฏิบัติมันก็น้อย ไปดูถูกตัวเองบางคนโอ้อย่างเราคงไม่ได้หรอกมันมันห่างไกลาจากสมัยพระพุทธเจ้าดูรเราเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นพระนี่เนี่ยมันจะคิดไปในทางบัณฑรตัวเองมัไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่พระเจ้าสอนให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเรียกว่าอัตตาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อมัน่น ในตนเองว่าสามารถปฏิบัติตามรู้ตามพระโพธเจ้าได้กิเลสมันจะหลอกให้เราเนี่ยขาดความเชื่อมัน่นเราเป็นโยมไม่ได้ลอกนี่ดูถูกตัวเองผู้เจ้ายำนาที่ของผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอย่างเดียวเท่านั้น คือต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นแหละอย่างอื่นก็ทำไปแต่เป้าหมายหลักจริงๆก็ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะพอถ้าเกิดมีอีกมันต้องเป็นทุกข์แน่ๆแล้วก็เป็นเรื่องไร้สาระด้วยคนที่เห็นความจริงแล้วนี่มันไม่มีตัวเราจริงๆอ่ะไอ้ที่ยังยึดนุ่นยึดนี่ยังหวังอนุนอันนี้นี่ยมันไร้สาระ คือมันเข้าไม่ถึงมันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปตาห น, น, นิคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่เห็นมาโอ้มีหน้าคนเรายัางไม่รู้ยังไม่เห็นมันก็เลยมีความหลงผิดก็ยึดนั่นยึดนี่คอยควา้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเป็นตัวตนกลัวตัวตนจะดับจะสูญไปนีน่ยนี่สร้างตัวสร้างตนขึ้นมาตลอดเวลาเลย แต่ถ้าพูดหมดกิเลสแล้วไม่มีกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแน่นอนจิตมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งมันดับไปจากจิตหมดแล้วจิตก็มีเหมือนไม่มีอ่ะมันเป็นเหมือนเฉว่าไม่มีมันก็มีอยู่มันก็ต้องใช้มันอยู่มันเป็นเหมือนจิตมันเป็นเหมือนไม่ใช่จิตเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติตอนนั้นเอง มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราแล้วนี่เธอในเชื่อมันในความสามารถที่จะปฏิบัติบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้หมดตัวหมดตนได้อันที่หาทิ่ทีสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าทุกสิ่งมันเกิด ดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงขั้นที่หกอบปมาธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพเออวันนี้เราจะสํารวมระวังเนี่ยถ้าประมาทก็ไม่สํารวมระวังเสียเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าบางคนก็ จะตั้งใจปฏิบัติเดินผ่านทีวีหน่อยเอาก็ดูทีวีไปก็ลืมปฏิบัติไปเลยนี่เรียกว่าประมาทอันนี้พูดถึงเข้าอยู่บ้านอยู่เรือนเนะไม่ให้ความสาคัญการปฏิบัติธรรมเห็นอย่างอื่สคัญกว่าการปฏิบัติพัดวันประกันพูุเอาไว้วันหลังอย่างนี้ประมาททางนั้นเลย ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจสุดท้ายมนณะศีาระสมปทาิถึงพร้อมด้วยความมีโยนิโสมรณิการใส่ใจถูกต้องใส่ใจถูกหลักใส่ใจมียก า, ายใส่ใจสอดคล้องกับความเป็นจริงคือรู้ว่าอารมณ์เนี่ยมันผ่านมาต้องผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไป ไม่เป็นไปเพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นมั่นนี่อย่างนี้เลยว่ามีอยู่ใโสมานสิกานทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าบอกเป็นเป็นลุ่งอรุณถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมีสิ่งเหล่านี้แล้วอริยมรรคจะต้องเกิดขึ้นเหมือนกับมีแสงทองเกิดขึ้นแล้วผ้าที่ต้องขึ้นแน่ๆถ้ามีทั้งเจดข้อนี้ อริยมรรต์้องเกิดขึ้นแน่ๆข้อที่หนึ่งมีกาลยาณมิตรสมัยก่อนหมายถึงพระพุทธเจา้าสมัยนี้ก็อาจจะผู้ที่สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ที่สามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจา้ามาบอกกล่าวมาสอนเราได้แนะนําเราได้มีกาลยานมิตรเรามีไหมศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล พวกนี้ต้องสร้างขึ้นมาเราต้องปฏิบัติขึ้นมาส่วนอันแรกนั้นน่ะเป็นองค์ประกอบภายนอกแต่ข้อสองถึงข้อเจ็ดเนี้ยเป็นองค์ประกอบภายในเราต้องสร้างขึ้นมาเองถึงพร้อมด้วยฉันทะถึงพร้อมด้วยอัตตสัมปทาถึงพ ร, ร้มพอมด้วยทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยอัปมาธาสัมปทาความไม่ประมาทถึงพร้อมด้วย โยนิโสมนัสิการะสัมปทาถ้าว่าเรามีแล้วครบแล้วนี่นิมิตหรือว่าสิ่งที่บอกให้รู้ว่าอริยมรรคจะต้องเกิดขึ้นกับเราสติสัมปชัญญะของเรามีกำลังแค่ไหนเนี่ยทีเาก็มาตรวจสอบสติของเราสตินี้หมายว่ามันมันรู้อารมณ์ตามรู้อารมณ์สัมปชัญญะก็คือ รู้ตัวทั่วพร้อมนอกจากมันจะดูอารมณ์เดียวแล้วมันอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้หรือว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นรู้แล้วก็เข้าใจเพิ่มเข้ามาอีกคือสติมันมีกําลังขึ้นมาสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นด้วยหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมันมีความเข้าใจเพิ่มเข้ามา ทีนี้พระพุทธเจ้าพูดเรื่องความเพียรว่ายัางไงในส ม, มประทานสี่ความเพียรเพื่อดับทุกข์เพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกพระองค์บอกว่าให้สร้างฉันทะขึ้นมานี่ให้พอใจสร้างฉันทะแล้วก็ระดมความเพียรปลุกเล้าความเพียรให้มีขึ้นในจิตเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะรอให้มันเพียรเองไม่ได้ ต้องระดมมันขึ้นมาสร้างฉันทาพอใจที่จะปฏิบัติแล้วจากนั้นก็ต้องระดมความเพียรปลูกเล่าให้ความเพียรเกิดขึ้นแล้วก็เพียรให้มากขึ้น่อยแล้วก็ประคองจิตเพื่อให้รู้ความจริงเนี่ยต้องเป็นไปเู้รู้ความจริงด้วยนะก็คือให้ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุขังอนัตตา ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีสมาธิธิอันนี้สำคัญเพราะนั้นสมาธิธีิมันต้องนําหน้าสำหรับผู้ปฏิบัติเพียนก็ต้องเพียนให้รู้ว่าเพื่อประคองจิตให้ตั้งมัน่นเนี่ยเพื่อให้มารู้ความจริงจนจิตตั้งมัน่นมันตั้งมั่นแล้วมันจะรู้ความจริงเองที่นี่ ของเราไม่มีปัญหาพอส่วนใหญ่เข้าใจดีแต่เอาเอามาเอามาย้ำกันเฉยๆว่าความเพียรเนี่ยพระเจ้าพูดถึงว่ายังไงเราจะได้ทบทวนให้รู้ว่าเนี่ยเราถูกทางตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พูดในรายละเอียดก็คือมีสติสัพพัญญะระวังไม่ให้อกุศลเข้ามาในจิตเรา เข้ามาก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันเกิดดับสั้างฉันดปลุกระดมความเพียรให้มีความเพียรเพียรให้มากเพียรให้ยิ่งขึ้นไปประคองจิตเพื่อให้รู้ความจริงว่ามันเกิดดับใจตั้งมั่นรู้ความจริงเนี่ยถ้ารมก็เข้ามาไม่ได้ถ้ามันเข้ามาแล้วเป็นอกุศล ก็ต้องสร้างชั้นทะาระดมความเพียรก็ะคองจิตให้รู้ความจริงอีกอจนจิตตั้งมัน่นรู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราภาวานาประทานก็คือให้จิตรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นกุศลให้มันเจริญขึ้นให้เพิ่มพูนขึ้น อนุรักษนาประทานจนมันมีกำลังอริยมรรคสมบูรณ์ประหารกิเลสได้เป็นอริยมรรคอริยผลเนี่ยสุดท้ายกุศลคือความฉลาดที่จะดับกิเลสภายในใจตัวเองเนี่ยกุศลมาอยู่ที่นี่เพื่อประหารกิเลสให้หมดจดออกไปจากกิตใจของเราถ้าว่าเราทำถูกต้อง คุณสมบัติเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราบางทีท่านก็นสอนรัดสัน้นอะไรเกิดขึ้นเข้ามาทางตาก็สักแต่ว่าเห็นนี่เข้าไปหาจิตเลยนะนี่ก็สักแต่ว่าเห็นเลยนะเข้ามาทางหูสักแต่ว่าได้ยินไยได้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องสัมผัส รู้ทำอารมณ์สัจธรรมเห็นสักจธรรมได้ยินสักจธรรมรู้อารมณ์คือสักแต่ว่านี่มันว่าเห็นมันเกิดดับเห็นว่ามันมันไม่มีผลต่อจิตเราเกิดดับผ่านมาผ่านไปฟังแค่นี้ก็พ้นทุกได้คือจิตมันพร้อมจิตมันมุง่งพยายามอยู่ในจิตอยู่แล้วที่อยากจะพ้นทุก เตรียมตัวตั้งสติดีๆเนอะแล้วก็ตั้งปณิธานย้ำกับตัวเองรือว่าอบลมจิตของเราให้มันมีความอาจหานมีความแกวกล่าลื่ดเลิงบันเทิงในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันออกไปจากองทุกข์เกิดมาชาตินี้มันทุกข์เหลือเกินเนี่ย เยอเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามากุ่มลุมจิตใจอยู่ตลอด ม, มันมีจิตใจมุ่งมันไม่อยากมีทุกข์อีกดับทุกข์ภายในใจเราให้มันได้ีสอนตัวเองแล้วก็ตั้งใจ อ, อุทิศบุญเอาวันนี้พอแค่นี้นะ ชาเล็สมมาสคตตสักระเสรุ่ชกได้พระองค์เอง